ก่อนที่ท่านจะเข้าสู่นิพพานหลวงพ่อสดได้มาหาผมมาด้วยธรรมกายท่านบอกว่ามีพระลูกศิษย์องค์หนึ่งที่ได้เรียนกับเราทั้งวิชาธรรมกายและสติปัฏฐานสี่ชื่อพระวินยาท่านเป็นหม่อมเจ้าเรียนจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วกลับมาเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลเซริราช หลังจากปลดเกษียณได้มาบวชอยู่ที่วัดปากน้ําเป็นลูกศิษย์คนแรกและคนสุดท้ายที่ได้เรียนสติปัฏฐานสีจากเราในเวลาต่อมาผมก็ได้ทราบจากลูกศิษย์ของหลวงพ่อวิญญาว่าหลังจากหลวงพ่อสดนิพพานแล้วหลวงพ่อวิญญาก็ได้ไปอยู่สำนักสงเขาพนมยงตำบลหินกองจังหวัดสระบุรี สรุปวิชาธรรมกายของหลวงพ่อสดได้ว่าธรรมกายที่หลวงพ่อสดท่านปฏิบัตินั้นก็คือสมถภาวนาซึ่งมีผลสําเร็จสูงสุดอยู่ที่ชาน8คืออย่างสูงได้ฌาน8แต่ไม่สามารถดับทุกข์ได้ส่วนการเจริญสติปัฏฐานสจัดเป็นวิปัสนาภาวนามีผลสําเร็จสูงสุดอยู่ที่การบรรลุนิพพานคือดับทุกข์ได้อย่างถาวร เพราะไม่ต้องเวียนหวตายตเกิดอีกหลงพ่อสดท่านได้านแล้วท่านก็เอาฌานมาเป็นบาทฐานของวิปัสนาภาวนาแล้วก็ได้บรรลุนิพพานในที่สุดการที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติได้แสดงว่าท่านได้ฌานแปดและเป็นพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาควิมุติโยมผู้ชายที่นั่งอยู่แถวหลังสุดยกมือขึ้นเพราะต้องการเรียนถาม โยมที่ยกมือมีอะไรหรือเปล่าท่านจคุณถามมีครับหลวงพ่อคือผมจะกราบเรียนถามว่าถ้าผมจะถามหลวงพ่อบ้างจะได้หรือไม่หรือว่าถามได้เฉพาะพระเท่านี้ล่ะครับท่านเจ้คุณตอบว่าถ้าโยมจะถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาตมากำลังบรรยายก็ถามได้แต่ถ้าจะถามเรื่องเนื้อคู่ต้องถามตอนอาตมาลงรับแขกที่กุฏิ คำตอบของท่านทำให้ทั้งพระและขรืหัดพากันหัวเราะยกเว้นโยมที่ถามซึ่งนอกจากไม่ยิ้มแล้วเขายังพูดเชิงน้อยใจนิดๆว่าหลวงพ่อผมเจ็ดสิบแล้วนะครับอายุปูนนี้ไม่ต้องถามเรื่องเนื้อคู่แล้วอาตมาพูดแย่เล่นเห็นคนมาที่วัดอาตมาบางคนอายุตั้งหกสิบแล้วก็ยังให้ดูเนื้อคู่เอาละโยมจะถามอะไรก็ว่ามาเลย ท่านอนุญาตบุรุษวัยเจ็สจึงถามว่าหลวงพ่อรู้จักหลวงปู่ชุ่มไหมครับผมทราบมาว่าท่านก็สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้เห็นว่าเข้าตั้งเจ็ดวันถ้าเป็นหลวงปู่ชุ่มที่คู่กับหลวงพ่อในป่าอัตมารู้จักเพราะอัตมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อในป่าก่อนที่จะมาเรียนกรรมฐานกับท่านจาคุณโชโดกที่คณะหวัดมหาธาตุ ใช่แล้วครับแต่หลวงปู่ช่วมท่านนิพพานคือลาสังขารไปแล้วเขาว่ากันว่าหลวงพ่อในป่าท่านยังอยู่นะครับยังอยู่สิส่วนหลวงปู่ชุ่มนั้นก่อนหน้าที่ท่านจะนิพพานท่านมาเยี่ยมอาตมาที่วัดนี้พอดีอาตมาจำเป็นจะต้องไปงานศพของในห้างทองย้อยชะโลธรที่เขาเคยมาช่วยอาตมาสร้างโบส์แล้วก็สร้างพระพุทธชโรธร ซึ่งเป็นพระประธานในโบสถ์อาตมาก็นึกถึงบุญคุณของเขาจึงต้องไปช่วยเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ตอบแทนความดีที่เขาได้ช่วยเหลือวัดมาก็เลยไม่มีโอกาสต้อนรับหลวงปู่ชุ่มหลวงปู่ท่านก็รู้ว่าอาตมามีความจำเป็นไม่สามารถอยู่ต้อนรับท่านได้พวกญาติโยมก็ช่วยกันต้อนรับช่วยกันถวายพัฒนานแดหลวงปู่ ท่านมาเยี่ยมอาตมากลับไปแล้วท่านก็เข้านิโรธสมาบัติเจ็วันจากนั้นก่อละสังขารเข้าสู่นิพพานหลวงพ่อทราบไหมครับว่าทําไมหลวงปู่ชุ่มต้องมาหาหลวงพ่อก่อนที่ท่านจะละสังขารโยมวัยเจ็สถามอีกท่านจะคุณตอบแบบย้อนคําถามว่าก็ทําไมท่านจะมาหาอาตมาไม่ได้ละ่ะในเมื่อท่านกับอาตมารู้จักกันดี คนถามจึงตอบแบบย้อนถามบ้างว่าแต่ท่านไม่ได้ไปหาพระที่รู้จักกันทุกรูปไม่ใช่เหรอครับท่านจำเพาะเจาะจงมาหาหลวงพ่อเท่านั้นหลวงพ่อทราบไหมครับว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นทําไมถึงเป็นเช่นนั้นละ่ะท่านจะคุณถามย้อนโยมวัยเจตอบด้วยเสียงที่ตั้งใจให้ดังกว่าเดิมว่าเพราะเป็นธรรมเนียมของพระอรหรันต์ ที่เมื่อละสังขารจะเข้าสู่นิพพานต้องมาลาพระอรหันต์ด้วยกันเหมือนในสมัยพุทธกาลที่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะและพระอรหันตสาวกองค์อื่นๆที่นิพพานก่อนพระพุทธเจ้าต้องมากราบทูลลาพระพุทธองค์เพื่อเข้าสู่นิพพานท่านจ้คุณต้องการเบนความสนใจของเขาไปในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่านจึงถามว่า แล้วโยมรู้ไหมว่าพระสารีบุตรกับพระโมกขลานะองค์ไหนปรินิพานก่อนกันพระสารีบุตรนิพานก่อนพระโมกขลานะสิ้าวันครับและที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่าเป็นธรรมเนียมของพระอรหรันต์ที่เมื่อจะลัตสังขารเข้าสู่นิพพานต้องมาลาพระอรหันต์ด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่หลวงปู่ชุบ ม, มหาหลวงพ่อก่อนที่ท่านจาะลัสังขารเข้าสู่นิพพานก็คือ ท่านมาลาหลวงพ่อซึ่งเป็นพระอระหันต์เช่นเดียวกับท่านที่ผมพูดมานี้ถูกหรือผิดครับท่านจ้คุณคิดไม่ถึงว่าผู้ชายอายุเจ็ดสิบที่ดูภายนอกเหมือนไม่รู้อะไรมากนะักแท้จริงแล้วรู้มากเกินกว่าที่ท่านคิดเสียอีกและเมื่อเขาพูดจบญาติโยมก็พากันส่งเสียงสาธุการดังลั่นหอประชุมขณะที่พระนวกาทาหน้าเลอรา เพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่โยมพูดเจ้าคุณวัยใกล้เต็มหกสิบเอ็ดรู้สึกโล่งใจที่พระนวกะไม่เข้าใจไม่เช่นนั้นก็จะพากันซักถามท่านจนไม่เป็นอันเรียนท่านจึงพูดกับญาติโยมว่าเอาละโยมสนุกสนานกันพอสมควรแล้วก็ฟังอัตมาบรรยายต่ออัตมากำลังจะสรุปว่า สมถภาวานาเช่นการเพ่งกะสินนั้นไม่สามารถทำให้หมดกิเลสได้เพียงแต่ไปข่มกิเลสไว้เหมือนเอาหินก้อนใหญ่ไปทับหญ้าแต่พอยกก้อนหินออกหญาก็งอกขึ้นมาใหม่เพราะยังมีรากอยู่ผลสำเร็จสูงสุดของสมถภาวานาคือได้ฌานแปดหรือถ้าสำเร็จฌานสี่และชำนาญด้วยวสีทั้งห้าแล้ว น้อมจิตไปเพื่อให้ได้อภิน ญ, ญาก็อาจได้อภิน ญ, ญาที่เป็นโลกิยะเรียกว่าโลกิยะอภิน ญ, ญาอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าอย่างหรืออาจจะได้ทั้งหอย่างซึ่งขึ้นอยู่กับความํำนานในวะสีทั้งหแต่ไม่ได้อภิญญาที่เป็นโลกุตระที่เรียกว่าโลกุตระอภิน ญ, ญาซึ่งมีอย่างเดียวคืออสวคยคญาณแปลว่า ยานอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายยานแปลว่าความอย่างรู้หรือปรีชาอย่างรู้ส่วนโลกิยะอภิญญาห้ายางได้แก่ 1. อิทธิวิธิความรู้ถิ่ทธให้แสดงลิบต่างๆได้ 2. ทิพโสตยานทิ่ทธรมให้มีหูทิพ 3. เจโตปริยญาณ ย, ยานที่ใหกำหนดใจคนอื่นได้ สบุพเพนิวาสานุสติยานยานที่ทำให้ระลึกชาติได้และ 5. ทิพจักขุยานที่ทำให้มีตาทิพโลกียะอภิญญาหอย่างนี้เสื่อมได้ถ้าชาญเสื่อมดังตัวอย่างของพระเทวทัตที่ได้โลกียะอภิญญาสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่เมื่อท่านคิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุปชาของท่าน ฌานก็เสื่อมเมื่อฌานเสื่อมโลกิยะอภิญญาที่ท่านได้ก็เสื่อมตามในที่สุดท่านก็ถูกธรณีสู่ไปลงนรกเพราะทําอนันตริยกรรมสองอย่างได้แก่โลหิตุบาทคือทําร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้หอกขึ้นอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งได้แก่สังฆเภทคือทําให้สงแตกจากกัน ท่านเจ้าคุณถามพระนวกะว่าอนันตริยกรรมมีกี่อย่างรูปไหนตอบได้ช่วยตอบด้วยเงียบไม่มีเสียงตอบจากพระนวกะอาจจะไม่อยากตอบทั้งที่รู้หรืออยากตอบแต่ไม่รู้ก็เป็นได้ยมอายุเจสิบรอจังหวะอยู่เมื่อเห็นพระคุณเจ้าท่านไม่ตอบจึงยกมือขึ้นและตอบว่ามีห้าอย่างครับได้แก่หนึ่ง มัตุคาต์ฆ่ามานดาสองปปตุคาต์ฆ่าบิดาสามอารหันตะคาต์ฆ่าพระอรหันต์สี่โลหิตุบาตและห้าสังคเพทข้อสี่กับข้อห้าลงพ่อแปลให้แล้วผมจึงไม่ต้องแปลครับเขาชี้แจงเสร็จสับดีมากอัตมาขออนุโมทนาเอาละ่ะทีนี้อัตมาก็จะขอถามอีกสักข้อหนึ่งว่า ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใครทำอนันตริยกรรมมากที่สุดคือมากกว่าที่พระเทวทัตรมท่านชจคุณวัยใกล้61อต้องการทดสอบโยมวัยเจ็สว่าจะรู้มากน้อยเพียงใดเท่าที่ผมทราบดูเหมือนจะเป็นพระมหาเทวะชาวเมืองมัทุราต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองปตาตลีบุตรซึ่งเป็นเมืองหลวงของชมพูทวีในเวลานั้น พระมหาเทวธรรมอนันตริยกรรมถึงสี่อย่างยกเว้นข้อสที่ท่านไม่ได้ทำเพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วท่านก็เลยทำไม่ครบห้าอย่างหาก็ถือว่าท่านทำอนันตริยกรรมมากที่สุดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาผมตอบอย่างนี้ถูกไหมครับ ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่บาปมากกว่าพระเทวทัตก็คือพระมหาเทวะซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยพระเจ้ากาลาโศกประมาณพุทธศักราชร้อยแล้วท่านเจคุณจึงพูดกับพระนวะกาว่าเอาละที่นี่มาพูดเรื่องสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนากันต่อก็อย่างที่ผมบรรยายไปแล้วว่า สมถภาวนามีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลพวกโยคีพวกลือสีชีไพรที่ได้ฌานได้โลกิยะอภิญญาเหาะเหินเดินอากาศได้แต่พอฌานเสื่อมอภิญญาก่อหายเมื่อตายไปตกนรกกันก็นมากผมถึงบอกว่าสมถวิปัสสนายังดับทุกข์ใหม่ได้ แต่ถ้าเอาสมถภ า, าวนามาเป็นบาดฐานของวิปัสนาภ า, าวนาก็สามารถบรรลุนิพพานดับทุกข์อย่างถาวรได้เหมือนหลวงพ่อสดที่ผมได้บรรยายมาแล้วแต่ในยุคพระเวสสันดรยังไม่มีวิปัสนาภ า, าวนาใช่ไหมครับโยมคนเดิมถามทั้งที่รู้คำตอบดีอยู่แล้วแต่ถามเพราะอยากมีส่วนร่วมถูกแล้ว พระเวสสันดรท่านได้ฌานเมื่อไปอุบัติเป็นสันดุสิทธิ์เทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วครั้นถึงเวลามาอุบัติในโลกมนุษย์เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะและก็เป็นชาติสุดท้ายจะไม่มีชาติต่อไปอีกท่านจะคุณถามโยมคนเดิมว่าก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้วิปัสสนาภาวนามีแล้วหรือยัง โยมตอบอาตมาสิคนอยากมีส่วนร่วมรู้สึกสมหวังจึงตอบอย่างแคล่วคล่องว่องไวว่ายังไม่มีครับมีแต่สมถภ า, าวนาเจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาสมถภ า, าวนาในสำนักของท่านอราราลดาบทกลมโครจนได้ฌานที่เจ็ดหรืออรูปฌานที่สามชื่ออากินจัญญายตนะาฌาน มีความรู้เท่ากับท่านท่านจึงชวนให้อยู่ในสำนักเพื่อเป็นอาจารย์สอนผู้อื่นต่อไปแต่เจ้าชายสิทธัตถะเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงปฏิเสธแล้วก็เสด็จสแสวงหาครูบาอาจารย์ต่อไปในเวลาต่อมาได้เสด็จไปศึกษาในสำนักของท่านอุทกาดาบทรามบุตรจึงสำเร็จฌานที่แปดหรืออรูปฌานที่สี่ ชื่อเนวะสัญญาณาสัญญายาตนาชานอันเป็นความรู้สูงสุดของยุคนั้นเจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาในสำนักนี้ไม่นานก็สำเร็จฌานที่8แล้วก็ทรงปฏิเสธเมื่อท่านอุทกาดาบทรามบุตรชวนให้อยู่ในสำนักกลั้นไม่มีผู้ที่จะสอนพระองค์ได้เจ้าชายสิทธัตถะจึงทรงศึกษาด้วยพระองค์เองในที่สุดทรงค้นพบวิชาวิปัสนาภาวนา ที่ยังไม่เคยมีผู้ใดค้นพบมาก่อนวิชานี้ทําให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านเจ้าคุณกําลังชมว่าเขาเก่งทว่าเขากลับถามท่านเช่นก่อนว่าหลวงพ่อทราบไหมครับว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงเปล่งอุทานว่าอย่างไรท่านเจ้าคุณถามเขาว่าโยมว่าพระองค์เปล่งว่าอย่างไรล่ะโยมคนเก่งตอบด้วย การอัญเชิญพระพุทธวจนะสองคาถากึ่งมาแสดงความว่าอเนกชาติสังสารังสันธาวิสังอนิพพิสังขหการกังขเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุนังขหการัะทิทโศสิปุณัคเฆหังนะกาหสิสัพพาเตภาสุกาภักกาขหกูตังวิสังขตัง วิสังขาระคตตังจิตตังตันหานังขยมัชชคาโยมทราบไม่ว่าพระพุทธวจนะที่โยมอัญเชิญมาแสดงนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรท่านจ้ ค, คุณต้องการลองภูมิว่าเขารู้จริงหรือรู้ปลอมอยู่ในคุตตะนิกายธรรมบทพระไตรปิฎกบาลีฉบับมหามากุฎราชวิทยาลัยเล่มที่25ห้า หน้าที่35ถึง36ครับข้อที่เท่าไรจำได้หรือเปล่าถ้าจำไม่ได้อัตมาจะบอกให้ข้อที่21อ็ครับที่ผมไม่บอกเพราะต้องการให้หลวงพ่อถามอ๋ออย่างนั้นหลอกหรือท่านกำลังจะถามเขาว่ายายจริงเก่งนักพระลูกวัดเจ้าเก่าก็ถามขึ้นว่า พระอาจารย์ครับกระผมอยากทราบว่าที่โยมเข้าอัญเชิญพระพุทธวัจนะเป็นภาษาบาลีมานั้นถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะว่าอย่างไรเพราะกระผมไม่เคยเรียนบาลีครับท่านถามพระนวกะด้วยกันว่าเพื่อนเพื่อนมีรูปใดทราบบ้างครับไม่มีรูปใดแสดงตนว่าทราบโยมคนเก่งรอโอกาสที่จะแปลอยู่แล้วจึงขออนุญาตท่านเจ้าคุณ ร่านได้รับอนุญาตแล้วจึงแปลพระพุทธวจนะเป็นภาษาไทยความว่าเราสแสวงหาในช่างเรือนอยู่เมื่ อ, อยังไม่ประสบแล่นไปแล้วสู่สงสารมีชาติไม่น้อยความเกิดเป็นทุกข์กลํามไปแน่ในช่างเรือนบัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจะไม่ต้องสร้างเรือนอีกซี่โครงของท่านทั้งหมดเราหักแล้วยอดเรือนเราขาจัดเสียแล้ว จิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขารเราบรรลุความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้วสาธุเสียงญาติโยมแท้สองสาธุการณขณะที่พระนว ก, กะพากันคิดในใจว่าทำอย่างไรเราจะเก่งให้ได้สักครึ่งหนึ่งของโยมคนนี้ท่านเจ้า ค, คุณเห็นเป็นโอกาสจึงถามโยมคนนั้นว่าถามจริงๆเถอะโยมทำไมถึงเก่งนัก อายุก็มากแล้วไม่หลงลืมบ้างเลยหรือขอประทานโทษโยมเรียนมาจากไหนจบอะไรมาผมได้เรียนป ร, ริญญาธรรมประโยคก้าวครับหลวงพ่อแล้วก็เป็นพระอาจารย์สอนบาลีพระเ น, เนในวัดที่ผมเป็นเจ้าอาวาสผมขออนุญาตไม่ออกชื่อวัดนะครับท่านเจ้าคุณรีบอนุญาตว่าไม่เป็นไรไม่ออกชื่อวัดก็ไม่เป็นไร แต่อาตมาอยากรู้ว่าโยมเป็นเจ้าอาวาสอยู่ดีๆแล้วทำไมถึงศึกเสียล่ะโยมวัยเจ็ดสิบตอบว่าผมถูกเสือปากแดงคาบออกมาจากวัดไปอยู่บ้านครับเขาตอบหน้าตาดูร่าเริงกับกลายเป็นเศร้าสลดอ้าวไปทำอย่างไรให้เสือปากแดงคาบไปได้ละ่ะแล้วเสือปากแดงมาด้วยหรือเปล่าท่านถามยิ้มยิ้ม ญาติโยมยิ้มตามยกเว้นคนถูกเสือปากแดงคาบที่ยิ้มไม่ออกเขาตายไปแล้วครับถ้ายังอยู่เขาก็ไม่เข้าวัดตั้งแต่คาบผมออกไปจากวัดแล้วเขาก็ไม่เคยเข้าวัดอีกเลยตายแล้วนั่นแหละถึงยอมเข้าเพราะผมเป็นคนพาเข้ามาที่เมนหลังจากเขาตายผมจึงได้มีโอกาสมาวัดเรื่องของผมเป็นเรื่องอย่างนี้ลหละครับเขาเป็นอะไรตายละ่ะ เจ้าคุณวัดป่ามาม่วงถามอีกแก่ตายครับอายุเท่าไรละที่ว่าเขาแก่นะ่ะ8ปสิครับเขาแก่กว่าผม1ิเอ็ดปีตอนถูกเสือปากแดงขาบออกจากวัดโยมอายุเท่าไร49่ครับเพิ่งได้เป็นเจ้าคุณยังไม่ถึงสามเดือนผมไม่น่าเสียรู้เขาเลยเขามาทำบุญเลี้ยงพระบ่อยจนคุ้นเคยกัน ผมเป็นกำพร้าแม่ตายตั้งแต่อายุสิบขวบพ่อก็ไปมีเมียมใหม่ยายจึงมารับผมไปอยู่ด้วยพออายุ30ยายก็พาไปบวชเนนที่วัดข้างบ้านเพราะยายจนไม่มีเงินส่งผมเรียนผมก็เลยไดยเรียนบาลีมาตั้งแต่เป็นเนนไม่รู้เรื่องทางโลกเลยตอนที่เสือปากแดงเข้ามาตีสนิทสนม ผมก็นับถือเหมือนเขาเป็นแม่เพราะความที่ผมกำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุสิบขวบไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะทำกับผมอย่างนี้ตอนที่เขาขาบผมออกจากวัดไปอยู่บ้านเขาก็อายุห0สและปลดกเกษียณพอดีเขาเป็นข้าราชการซีเจชอบแต่งตัวทาปากสีแดงแปรดผมก็เลยเรียกเขาว่าเสือปากแดง เรื่องของผมก็เป็นอย่างนี้หละครับหลวงพ่อเขาเล่าจบลงแต่เจ้าคุณยังไม่อยากให้จบจึงถามเขาอีกว่าแล้วโยมชอบชีวิตแบบไหนมากกว่าแบบเป็นพระหรือว่าคาลือหัดแบบเป็นพระสิ ค, ครับเพราะมีความสุขสงบไม่ต้องมีใครมาบงการชีวิตผมรู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า ได้เรียนรู้พุทธประวัติได้ประจักษ์ในพระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษยชาติโดยไม่เลือกชาติชั้นวันนะผมตั้งปณิธานไว้ว่าจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาหากก็ทำไม่ได้เพราะมาเสียรู้เขาพูดไปก็ทำให้ใจหดหูครับหลวงพ่อเขานิ่งไปสองอึดใจเพื่อรวบรวมความกล้า และจึงพูดกับท่านเจ้าคุณด้วยเสียงที่ทุกรูปทุกคนได้ยินว่าอย่างไรก็ตามผมไม่อยากให้หลวงพ่อต้องมาประสบเคราะห์กรรมเหมือนผมผมก็เลยขออารัธนานิมนต์ให้หลวงพ่อครองเพจบรรพชิตไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่และที่สําคัญคือขอให้หลวงพ่อได้เป็นเจ้าคุณนะครับท่านเจ้าคุณเพิ่งประจักษ์ชัดเดียวนั่นเองว่าเขาเก่งไม่จริงเพราะ เขาไม่รู้ว่าท่านเป็นเจ้าคุณมาได้หลายเดือนแล้วแล้วก็จะไม่ยอมให้เสือปากแดงมาคาบออกจากวัดไปอยู่บ้านเป็นอันขาด